ขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนทุกท่านที่เรามาร่วมบาเพ็ญกุศลอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนท ร, รมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่เก้าที่วัดประยุรวงศาวาสต่อเนื่องกันมาจนถึงคืนนี้ก็โดยที่ คณะสงฆ์โดยเฉพาะมหาเถรสมาคมได้มีข้อเสนอแนะให้พวกเราได้ร่วมกันทำความดีถวายพระองค์ท่านแม้พระองค์ท่านจะได้ล่วงลับจากโลกนี้ไปแล้วแต่ก็ให้ตอบแทนด้วยความกะตัญญูกะตะเวทีก็คือ ตามประเพณีของชาวพุทธก็ยังสามารถแสดงออกด้วยการทำบุญอุทิศถวายพระราชกุศลไปยังพระองค์ท่านหนึ่งเดือนเปิดโอกาสให้ทำทั่วประเทศนะทุกวัดซึ่งวัดปยโรงสาวาทก็มีเจ้าภาพทุกคืนตั้งแต่วันที่14ตุลาคมมาจนถึงวันที่ สิบสี่พฤศจิกายนโดยทางวัดได้เปิดโอกาสให้ญาติโยมได้แสดงออกซึ่งความกระตัญญูกะตะเวทีมาร่วมกันเป็นเจ้าภาพและท่านทั้งหลายก็ไม่พลาดโอกาสนี้ก็ชักชวนกันมาแสดงออกซึ่งความกระตัญญูกะตะเวทีจึงเป็นเรื่องที่น่าอนุโมทนาต่อทุกท่าน และก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ในหลวงราชการที่9้าเนี่ยได้เคยปารภเอาไว้ว่าวันหนึ่งข้างหน้าเนี่ยอยากจะให้คนจดจำพระองค์ท่านในแง่มุมใดเมื่อผู้สืออ่อข่าวต่างประเทศหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์สัมภาษณ์พระองค์เมื่อ มีพระชนได้ห0สบพรรษาว่าประสงค์จะให้คนจดจำพระองค์เป็นแบบไหนในหลวงราชการที่9ก็ตอบว่าอยากจะให้คนจำพระองค์ท่านว่าเป็นผู้ที่ได้ทำประโยชน์ทำประโยชน์ทีนี้ประโยชน์ที่ พระองค์ได้ทำเนี่ยมีคนพูดถึงเยอะมากมายตั้งแต่ที่ทรงครองราชเจ็ดสิบปีแต่ประโยชน์ที่พระองค์ได้ทำเนี่ยแม้กระทั่งเมื่อสวรรคตไปแล้วก็ยังทำอยู่คนเราเวลาสิ้นไปแล้วเนี่ยไม่ได้ทำประโยชน์เพราะจากโลกนี้ไปแล้ว แต่ในหลวงราชการที่เก้าเนี่ยเกิดมาเราก็คงเพิ่งเคยเห็นนี่แหละสวรรคตไปแล้วก็จริงแต่เราปฏิบัติต่อท่านเหมือนยังมีชีวิตอยู่และยังทำประโยชน์โดยที่ผู้มาร่วมรับผลประโยชน์เนี่ยปฏิบัติต่อพระองค์ท่านเหมือนกับยังมีชีวิต และก็เป็นพิธีใหญ่โตเป็นเรื่องเป็นราวญาติโยมอาจจะไม่ไม่รู้สึกก็ได้ถ้ามาร่วมงานกระถินวัดประยุรวงศาวาสวันนี้จะรู้ในช่วงบ่ายวันนี้ตลอดทั้งพธิธีตั้งตั้งแต่14นาฬิกาบ่าย2โมงจนจบ เป็นงานของคนเป็นเเขาไม่ปฏิบัติต่อพระองค์เหมือนว่าจากโลกนี้ไปแล้วโดยตั้งแต่เริ่มพิธีเนี่ยจะมีเพลงสรรเสริญพระบารมีจบด้วยการที่พระสงฆ์ ถวายอดีเรกถวายพระพรถวายอดิรเรกเนี่ยใช้สำหรับคนเป็นนะใช้พัยดยศกันด้วยเมื่อตอนบ่ายเนี่ยโยมอาจจะไม่รู้ความหมายคำว่าถวายอดีเรกเนี่ยคือพระสงฆ์ท่านจะตั้งพัยดยศ และองค์หัวหน้าก็จะกล่าวถวายอดีเรกว่าอติเรกะวัสสตังชีวตุอติเรกวัสสตังชีวตุอติเรกะวัสสตังชีว ต, ต, วสสสวตุแปลว่าขอให้ทรงมีพระชนชีพอยู่เกินร้อยปีคำนี้เนี่ยใช้สำหรับคนที่ยังอยู่นะ ถ้าไม่อยู่นี่เขาจะบอกว่าให้อยู่เกินร้อยปีได้ยังไงและทำไมจึงทำอย่างนั้นก็เพราะว่าผ้ากถินพระราชท า, านที่กระทรวงพาณิชย์นำมาถวายวัดปยุร่องศาวาสเนี่ยเป็นผ้าพระกถินที่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเนี่ย พระราชทานไว้ตั้งแต่ยังทรงมีพระชนชีพอยู่คือก่อนออกพรรษาต้องทำหนังสือขอไปที่กรมการศาสนานะผู้ประสงค์เนี่ยแจ้งไปที่สำนักพระราชวังเมื่อได้รับคำอนุญาตมาแล้ว ก, มกรมศาสนาก็จะประกาศว่ากระทรวงไหนหรือบุคคลใดเนี่ยได้รับพระราชทาน ผ้าพระกฐินมาเพื่อนำไปถวายวัดพระอารามหลวงเป็นตัวแทนพระองค์ท่านเพราะฉะนั้นเมื่อผู้แทนเนี่ยซึ่งวันนี้คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เนี่ยอัญเชิญผ้าไตรพระราชทานมาเขาก็บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบรารมี สันเสริญพระบารมีรัชการที่เก้าเหมือนกับท่านมาเองนะทุกคนก็ลุกขึ้นยืนผู้ปฏิบัติหน้าที่ก็ททำหน้าที่แทนในหลวงรัชการที่เก้าถวายภาพระกถินและพระก็ถวายอดีเรกดังกล่าวมาทำเสมือนหนึ่งว่า พระองค์ยังทรงพระชนชีพอยู่และนี่เองที่สอดคล้องกับที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารว่าซึ่งทรงแนะนำตอนนั้นว่าให้ทำเหมือนกับพระองค์ท่านยังอยู่เมื่อมีคำถามถึงว่า ใครจะเป็นพระเจ้าแผ่นดินรัชาการที่10บต่อไปเนี่ยพระองค์ยังบอกขอปฏิบัติหนะ้าที่ในฐานะสมเด็จพระบร ม, มโอรสาธิราชคืออยากให้คนลำลึกนึกถึงพระองค์บางส่วนอาจจะทำใจได้ว่าสวรรคตแล้วก็ร้องไห้ล้องหม่มบางส่วนก็ยังปฏิบัติเหมือนกับพระองค์เนี่ยยังอยู่ แต่ประเด็นอยู่ตรงที่ว่าไม่ว่าจะอยู่หรือจะไปเราได้ประโยชน์จากพระองค์ตลอดเวลาประโยชน์ที่พระองค์ทําไว้กับประเทศชาติมากมายมหาศาลเพราะฉะนั้นเมื่อจากโลกนี้ไปอย่าว่าแต่ประเทศไทยสูญเสียเลยบุคคลสาคัญเลยองค์การสหประชาชาติก็ประชุมกันเมื่อสามวันที่แล้วบอกว่า นั่นคือการสูญเสียของโลกชาวโลกไม่ใช่แค่สูญเสียสำหรับคนไทยเท่านั้นแต่ว่าชาวโลกก็สูญเสียบุคคลสําคัญของโลกสูญเสียบุคคลสําคัญที่ได้สร้างประโยชน์แก่ชาวโลกนั่นเองจึงได้ประชุมกันกล่าวสดุดีพระบาทสําเร็จพระปรเมนทราพานภูมิพลอดุญเดชเนี่ย เป็นเวลากว่าครึ่งชั่วโมงไม่เคยมีคนไทยใดๆที่ได้รับเกียรติอันนี้นี่เป็นคนแรกของโลกของเท่าของประเทศไทยพระเจ้าแผ่นดินองค์ก่อนก่อนก็ไม่เคยได้เพราะว่าเพราะอะไรเพราะสหประชาชาติตั้งขึ้นได้71ปีเองในหลวงคลองราชเจสิปี เพราะฉะนั้นตลอดเวลาเจ็ดสิบปีเนี่ยเกือบเกือบเท่าอายุสหประชาชาติชาวโลกก็รู้จักแต่กษัตริย์รัชการที่เก้าเท่านั้นในเวทีโลกเขาก็มองเห็นว่าสิ่งที่พระเจ้าแผ่นดินรัชการที่เก้าได้ทำา มันเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับแนวนโยบายของสหประชาชาติเขาจึงยกย่องบุคคลตัวอย่างคือพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เนี่ยให้เป็นต้นแบบของผู้นำโลกถ้าใครอยากจะทำประโยชน์แก่ชาวโลกไม่ต้องไปดูที่ไหนหรอก ไปดูค um ิงภูมิพลนั่นแหละดังนั้นเขาจึงได้นำรางวัลมาถวายในปี 2,549 เมื่อครองราช60ปีโดยเลขาธิการสาธารณชาตินำมาเองโคฟี่อันนันสมัยนั้นชื่อรางวัลเนี่ย เป็นความสำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์ไอความสำเร็จสูงสุดเนี่ยมันไม่ได้บอกว่าคืออะไรนะแต่ในภาษาอังกฤษมันจะบอกมันเป็น lifetime achievement award เป็นรางวัลที่แสดงถึงความสำเร็จ ทั้งชีวิตของคนคนนี้ว่าตลอดชีวิตเนี่ยสรุปว่าทำมาตลอดเลยอาจจะทำหลายเรื่องแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องเด่นคือเรื่องการพัฒนาเพราะฉะนั้นทั่วโลกจึงถือว่าเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ไม่ใช่เพราะรบทัพจับศึกแต่เป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ เพราะพัฒนาสู้กับปัญหาความยากจนของคนในชาติตอนที่เสด็จขึ้นครองราช70สปีที่แล้วเนี่ยสปเนี่ยประเทศไทยอยู่ในฐานะที่ย่ำแย่มากนะเพราะว่าเราไปเข้ากับญี่ปุ่น ประกาศสงครามกับสหรัฐกับอังกฤษและญี่ปุ่นแพ้เนะ่เขาก็จะปรับประเทศไทยเป็นประเทศผู้แพ้เหมือนญี่ปุ่นนะสิดีว่าสหรัฐเนี่ยช่วยไว้เพราะพวกเสรีไทยไปจับมือกับสหรัฐ ในขณะที่รัฐบาลจอมพลปจับมือกับญี่ปุ่นเพราะญี่ปุ่นแพ้สหรัฐก็บอกว่าจริงๆเขาก็ไม่ได้เข้าข้างญี่ปุ่นตลอดหรอกเพราะว่ามีเสรีไทยคอยช่วยทางสหรัฐอยู่ก็เลยเตือนอังกฤษอย่าไปทำอะไรไทยมากแต่ก็ไม่ค่อยมี การยอมรับในเวทีโลกหรอกตอนมีสหประชาชาติใหม่ๆตอนในหลวงรัชการที่ก้าขึ้นครองราชเพราะฉะนั้นตอนนั้นเนี่ยประเทศไทยจึงอยู่ในฐานะที่ด้อยพัฒนาไม่ได้มีความเจริญรุ่งเรืองอะไรหรอกสู้พมา่ายังไม่ได้เลย พมา่าเนี่เป็นความหวังของชาวตะวันตกเพราะอังกฤษมาพัฒนาให้อย่างดีเลยนักเศรษฐศาสตร์ของโลกชื่อชูมาร์เกอร์ไปพมา่าในช่วงนั้นกลับมาเขียนหนังสือเรื่องเศรษฐศาสตร์เชิงพุทธมีคนแปลเป็นภาษาไทยว่า ชื่อภาษาอังกฤษว่า small is beautiful จิ๋วแต่แจ๋วเศรษารเชิงพุทธคือพม่ารุ่งเรืองมากพมา่านะ่ะแล้วก็เป็นความหวังของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประเทศไทยซะอีกลำบากยากแค้น แต่พอมีเวลาผ่านไปผ่านไปเจปีเนี่ยมันฉมันหนังคนละม้วนเลยเนี่ยประเทศไทยเป็นอย่างที่ธนาคารโลกจัดอันดับเมื่อ2554พ้นความเป็นประเทศด้อยพัฒนากำลังพัฒนาเนี่ย ไปเป็นประเทศที่มีรายได้ปานกลางระดับสูงเมื่อเมื่อสี่ปีที่แล้วเนี่ยสหาหประชาชาติจัดอันดับประเทศไทยเป็นประเทศมั่งคั่งมีรายได้ปานกลางระดับสูงขยับอีกขั้นเดียวเป็นประเทศพัฒนาแล้วเขาแบ่งประเทศออกเป็นประเทศที่ กำลังพัฒนาสูงขึ้นมาเป็นประเทศที่มีรายได้ปานกลางระดับต่ำแล้วก็อีกขั้นหนึ่งประเทศที่มีรายได้ปานกลางระดับสูง mm hmm. upper middle income ขยับขึ้นอีกขั้นเดียวคือระดับประเทศที่พัฒนาแล้ว ในประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในมีประเทศเดียวคือสิงคโปร์ญี่ปุ่นสิงคโปร์สหรัฐเนี่ยเกินหน้าเราอยู่ขั้นเดียวเท่านั้นในหลวงได้พาประเทศเนี่ยจากประเทศที่ว่าปริ่มน้ำเลยนะขึ้นมาเรื่อยเรื่อย จนจะถึงประเทศพัฒนาแล้วเป็นมหัสจักรในรุ่นคนรุ่นเดียวในอายุ70ปีเขาเรียกวันวันเจเนเรชั่นคนรุ่นอายุรุ่นเดียวเนี่ยไม่เคยมีใครทำได้รประเทศไหนก็ทำไม่ได้เพราะว่ามันจะถอยหน้าถอยหลังไงอย่างพม่าเนี่ยดูสิถ้าพม่าจเจริญเหมือนกับที่ประเทศไทยจเจริญเนี่ย ป่านนี้เขานำเราไปไหนแล้วแต่กลายเป็นยังไงตอบได้ว่าเพราะผู้นำต่างกันพม่าได้ในพลเนวินเป็นผู้นำอยู่สามสิบปีทำเอาประเทศบอบช้ำมาก ในขณะที่ประเทศไทยเนี่ย7จ็ดสิปีได้ผู้นำพระองค์เดียวเลยมันต่อเนื่องพาประเทศไทยโดดเด่นมาเรื่อยๆและก็ทิ้งความเจริญเอาไว้เบื้องหลังซึ่งถ้าเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านก็เรียกว่า จากจุดที่เราเริ่มจนจุดที่พระองค์จากไปที่พระองค์เริ่มจนจากนมันต่างกันลิบหรับตอนที่พระองค์ขึ้นครองราชปี2489เพิ่งเสร็จสงครามโลกได้หนึ่งปียปี88เลบนซากกระดักหักพังในปีที่ขึ้นครองราชนั้นคนเคารพกษัตริย์ พระองค์นี้เพราะเป็นเด็กหนุ่มที่ได้รับการสถาปนาเป็นพระมหากษัตริย์เขาเคารพพระองค์ภูมิพลเพราะพระองค์ภูมิพลสวมมงกุฎเป็นกษัตริย์แต่พอผ่านไปเจ็ดสิบปี ไม่ใช่เฉพาะคนไทยเท่านั้นชาวโลกเคารพสถาบันกษัตริย์ไทยเพราะมีกษัตริย์ที่ชื่อว่าภูมิพลแรกๆพระองค์ต้องอาศัยสถาบันกษัตริย์ให้คนยอมรับเพราะยังเป็นคนหนุ่มอายุยังไม่ถึงยี่สิบขึ้นเป็นปเจ้าแผ่นดิน ต้องไปเรียนหนังสือจนจบปริญญาตรีกลับมาจึงสวมมงกุฎเขาเรียก บ, บรมราชาพิเศษในปี2493ยังเด็กอะ่ะช่วงนี้คนก็เคารพท่านเพราะว่าเป็นพระเจ้าแผ่นดินแล้วเออนี่นี่องค์นี้เป็นพระเจ้าแผ่นดินนะไปต่างประเทศไปไหนก็ไปเรียนหนังสือก็เป็นคิงนะเรียกว่าอาศัยสถาบันกษัตริย์แล้วสถาบันกษัตริย์สมัยนั้นก็ไม่ใช่ว่าจะยิ่งใหญ่อ ย, อย่างนี้ เพราะมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองสองสี่เจ็ดห้าสองพันสี่ร้ยเจ็ดสิบห้าแปดสิบห้าแล้วก็แปดสิบเก้าพิ่งสิบห้าปีสมัยจอมพลปอนะเนี่ยเขามีสโลแกนว่ายังไงเชื่อผู้นำชาติพ้นภยัยไม่ได้เชื่อกษัตริย์นะเชื่อใครเชื่อจอมพลปอ แล้วกษัตริย์อยู่ที่ไหนเจ้ปาปอบอกนู่นอยู่ต่างประเทศไปเรียนหนังสือในสถานการณ์อย่างนั้นเนี่ยพอมาถึงเจ็ดสิบปีคลองราชพ้นไปคนละเรื่องเลยถามว่าเพราะอะไรเพราะบุคคลคนเดียวคือ พระบาทสมเร็จพระปรเมนทรมหาภูมิพลอดุลยเดชไม่ใช่เปลี่ยนสถานภาพของสถาบันกษัตริย์ไทยเท่านั้นให้แม้แต่สถาบันชาติต้องยอมรับประชุมพิเศษครึ่งชั่วโมงกว่า เ, เพื่อยกย่องกษัตริย์ไทยพระองค์นี้แม้แต่สถาบันชาติ ก็คือประชาชนประเทศเราเนี่ยพัฒนาขึ้นมาเท่าไหร่ยังไม่ได้พูดถึงสถาบันศาสนาสถาบันศาสนาพระพุทธศาสนาที่อยู่อย่างนี้ได้ไม่ต้องบอกว่าจเจริญยังไงหรอกต่างจากสถาบันศาสนาในประเทศเพื่อนบ้านเอาในลาวไหมล่ะในกัมพูชาไหล่ะลาวเดี๋ยวนี้มีสังฆราชห ไม่มีแหละสถาบันพระพุทธศาสนาก็ได้รับการอุปถรัรมภ์บำรุงในรัชสมัยของพระองค์อย่างดียิ่งอย่างพระโรมชาลยารักษ์เนี่ทรงพนวดบอกอะไรการที่ ทรงพระราชนิพนธ์เรื่องพระมหาชนกเป็นชาดกบอกอะไรบอกถึงความสำคัญของพระพุทธศาสนาพระราชศรัทธาที่มีตอนนั้นรวมถึงแม้กระทั่งสวรรคตแล้วพิธีพระราชทานกระถินพระราชทานก็ยังอยู่ศักดิ์สิทธิ์เหมือนกับว่ายังทรงอยู่ซึ่งบางคนนี่ สั่งแล้วนี่ให้คนทำยังไม่ทำเลยนี่ไม่ได้สั่งว่าฉันตายแล้วจะต้องทำแต่คนอยากทำและถวายอดีเรกเนี่ยเราก็ถามกันว่าจะต้องถวายไหมเพราะถ้าไม่อยู่แล้วทั้งราชาการบ้านเมืองทั้งคณะสงฆ์ตกลงถวายเหมือนอย่างพระองค์ยังส่งพระชนชีพอยู่และวันนี้ก็ถือว่าเป็นปีสุดท้ายที่เราถวายอดิเรก ซึ่งแปลว่าขอให้พระองค์อยู่เกินร้อยปีแด่รัชกาลที่9้าเนี่ยสำหรับวัดพระยระวโรงสาวาดวันนี้ครั้งสุดท้ายจึงปารภให้ท่านทั้งหลายได้ลํำลึกถึงเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ของวัดว่าเราได้ทำกุศลกรรมที่ยิ่งใหญ่ถวายและรับกระถินพระราชานของพระองค์ อย่างเป็นทางการในพระอุโบสถนี้ที่เพิ่งเสร็จไปทำพิธีเสร็จไปแล้วโยงก็มา น, นั่งกันอยู่ตรงนี้จึงข อ, อาปารพเรื่องนี้เพื่อให้อนุโมทนาร่วมกันที่เราได้เดินตามรอยพระองค์ท่านที่อุปถัมภ์บำรุงพระศาสนาแม้ในยามที่สวรรคตแล้วก็ตามได้ทำบุญใหญ่ในนามของพระองค์ท่านและ บัดนี้เราก็มาบำเพ็ญกุศลฟังพระสวดอภิธรรมอุทิตพระราชกุศลถวายเป็นพระราชกุศลก็ขอเชิญชวนทุกท่านได้พร้อมใจกันนำรึกนึกถึงมหากุศลที่เราได้มีส่วนร่วมในวันนี้ตั้งแต่ช่วงบ่ายคือถวายผ้าพระกฐินฐานรร่วมโดยเสด็จพระราชกุศลและบัดนี้ ก็ฟังพระสวดอภิธรรมถวายทานสมาทานศีลได้บุญกุศลมหาศาลเช่นกันขอทุกท่านได้พร้อมใจการตั้งกายาจิตอธิษฐานอ้างมหากุศลทั้งนั้นและขุนพระศีรัตนไตรัยจงมารวมกันเป็นตบะเป็นเดชะเป็นพลวะปัจจัยอุทิตถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระประมมนทรมหาภูมิพลอดุญเดชราชการที่เก้าขอได้ทรงอนุโมทนาบุญเพื่อสำเร็จเป็นอิทวิบากสุขสมบัติทิพยาสมบัติเพิ่มบารมีธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปในสัมปรายภพแด่พระองค์ท่านสมดังเจตนาปารภของเราท่านทั้งหลายทุกประการ เนสัตว